คายไปครับดังนั้นจึงแนะนำให้บันนี้เมื่อเราคายไปแล้วก็ทำสบายขึ้นมาเมื่อคมสบายเกิดขึ้นออยังไงต้องทำไปเดินจมูกก็ไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องทำจังหวะก็ไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องทำให้เพียงคมรู้สึกตัวเบาๆครับ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 ให้ให้เรารู้ว่าเรามีสมาธิแล้วเราจรึงรู้ว่าจิตใจฟุ้งซ่านลำแขาญมากให้มันคิดมันยิ่งคิดเดรายิ่งรู้แต่ทํำขมรู้สึกใครมากอย่าหยุดการทํำขมรู้สึกแต่อย่าแห้งเมื่อขมคิดเป็นมากขึ้นมากขึ้นขมรู้ก็มากขึ้นมากขึ้นเทียบเท่าทันกันเข้า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 อันที่รู้เรื่องรูปนามนั้นยังไม่เป็นปรามัิมันเป็นเพียงรู้สมมุติแล้วก็ดีใจไม่ใช่ใจดีอันนั้นดีใจว่าเราได้รู้ท ร, ร ม, มะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะอันนั้นเป็นลักษณะดีใจแต่ไม่ใช่ใจดีตอนนั้นนั่นเป็นวิปัสสนาตอนนี้พอดีมันคิดมากเราก็ต้องรู้มาก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 ตาปัญญาอันนี้ลักษณะปัญญายานของอิปัสนาเกิดขึ้นรู้เห็นเข้าใจวัตถุปรมัิอาการลึกโทสะโมหโลภเรานี่แหละอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็รู้เห็นเข้าใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นการจบ ภาคหนึ่งบางคนก็รู้ได้สองครั้งบางคนก็รู้ครั้งเดียวอันนี้ครับรู้ครั้งเดียวนั่นคือว่ารู้แล้วไม่หลงไม่ลืมขัน่าสองครั้งต้องจิตใจเปลี่ยนสองครั้งเป็นมักเป็นผลขึ้นมาทันทีบางคนก็เป็นเพียงมักผลยังไม่เกิดบางคนก็ได้ทั้งมักทั้งผลเมื่อรู้อันนี้แล้วจิตใจของคนนั้นน้ำหนัก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 เป็นเทวดาได้ไหมเป็นได้ผมเคยถามอยู่เด็กเด็กอายุเก้าปีจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามรู้แล้วก็แสดงท่าทีออกมาเหมือนกันเป็นย่าง้นบันนี้มารู้ตอนนี้แหละมันจะเป็นปีตีครับใจดีเย็นอกเย็นใจอันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องให้เป็นปีติไม่ต้องให้เป็นเย็นอกเย็นใจ ในเป็นอย่างนั้นเราต้องทําให้มากอันนี้เป็นกินตญาณมันรู้เนิ่มนิมรู้นั้นรู้นี้รู้แล้วสบายใจอันนี้เรียกว่ารู้เบื้องต้นเป็นปฐมฌานจริงจริงฌานที่วเข้าไปรู้อันนี้เป็นลักษณะของปัญญาญาณของวิปัสษนาครับรู้อย่างที่ผมพูดมา น, นี้เป็นอารมณ์ เราไม่ต้องข้องแวะอยู่กับปีติปีติตามตำราท่านว่ามันดีปีติควมอิ่มใจปีติควมยินดีปีติควมพอใจในท่านว่าอย่างนั้นแต่อันนี้ปีติต้องเป็นอุปสรรคเป็นการขัดขวางไม่ให้เราเดินทางต่อไปถึงที่สุดได้เป็นอย่างนั้นที่ว่าไม่ต้องข้องแวะ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 ไม่ใช่ว่ามันเป็นแล้วจะไปหยุดไปเศรา้ามันไม่ใช่อย่า ง, างนั้นครับต้องเล้งวุมเพียนทุ่มเทข้าวขุมเพียนเนี่ยไม่ต้องท่อถอยไม่ต้องอ่อนแอทำแต่ว่าให้นอนครับเต่าตนเนี้ต้องให้นอนแต่บางคนไม่อยากนอนอยากเล้งวุมเพียนไม่ไม่ดีอย่างนี้นครับถึงเวลานอนต้องนอนถ้าหากเป็นกลางวันไม่นอน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 ง่วงเหงาเหานอนหดหูอย่างนั้นอย่างนี้ทันไวเลยพอตามมันจะต้องหาวิธีแก้ไม่ต้องนอนอันนี้ครับถ้ามันเกินควรมันอยากนอนจริงๆเอานอนสักนิดเดียวเท่านั้นก็ได้ครับแต่กลางคืนต้องนอนเต็มที่ในเกณฑ์สองทุม่มสามทุ่มก็ต้องนอนเลยครับนอนมากในนอนได้เต็มที่เราตื่นขึ้นมาบัด าต้องมาทำโคมเพียนทำอย่างนั้นแเลยครับมันจะรู้เห็นเข้าใจขึ้นมาอีกเป็นอารมณ์คือเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแนบ่แนอยู่กิเลสตัณหาอุปทานกรรมเหล่านี้แหละครับมันเป็นมรรคเป็นผลเป็นอารมณ์ขึ้นไปรู้ตอนนี้มั น, นยังเป็นตรีติีมันยังเป็น จินทะยานอยู่นั่นแหละคาว่าปีติีกับกินตะยานนะเป็นอันเดียวกันครับแต่มันรู้จิตใจนิ่มๆเรียกว่าใจดีอันนี้ลักษณะใจดีแต่ไม่ไม่เป็นลักษณะดีใจนนให้เรารู้จักอย่างนี้แล้วความหนักหกหนักใจนันจะเบาขึ้นมามีความสว่างภายในจิตใจเป็นอย่างนั้นแต่ไม่แสสว่างคือเราใต้เทียน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 การแก้อุปสรรคเหล่านี้ต้องทาให้มันสบายเมื่อมีความตึงเครียดขึ้นมาก็องทำให้มันสบา ย, ายาสบา ย, บายไม่ต้องให้มันตึงเครียดไปอย่างนั้นวันนี้เมื่อมันมีความตึงเครียดข้ามาแน่นหน้าอกวินหัวหรือมันจะเจียนปวด นี่วมันเจ็บอะไรปวดอะไรก็ตามมันมันเป็นกิริยามันแสดงท่าทีครับมันอยากให้เราท้อถอยเราต้องไม่ท้อถอยเราต้องทําบังคับให้ทำํำนนี่ต้องใช้เวลานา น, านครับบางคนบางคนก็ต้องได้เล็วแต่เมื่อสมัยผมปฏิบัติผม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 ให้มันเข้าใจอย่างที่พิชมือคลื่นข้อมือลงยกมือไปเอามือมาทําจังหวะให้เป็นจังหวะเดินจมกรมก็ให้มันเป็นเดินจมกรมริงๆินแล้วกัรรู้ลู่ลู่นาำนี่รูปน้ำรูปทำน้ำทำให้รู้จักรูปมันรมการทํางานนั่นเป็นรูปทำน้มทำรูปโลกน้ำโลก โูคโลกน้าโลกมีสองอย่างครับโรคเจ็บหัวปวดท้องอันนี้เมื่อลูกเป็นด้วยใจก็ไม่สบายอันนี้เป็นลูกโลกน้าโลกลูกโลกน้าโลกอีกอย่างหนึ่งครับคือสบายแต่มันดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจมีรักมีเกียรต่อันนี้จิตวิญญาณเป็นโลก ให้รู้จัว่าโลกมีสองอย่างรูปโล ก, ล ก, ลกนามโลกอันนี้เมื่อรู้อันนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจทุกขงังอ น, นิจังอนัตตาตามอารมณ์ที่ผมรู้มาครับเป็นอย่างนั้นทุกขังคือการเคลื่อนการไหวตัวจังหวะนั่นแหละครับจิงหวาให้ทำจังหวะจะรู้ทุกได้ทุกขังหมายถึงมันติดอยู่กับรูปอณิจังหมายถึงไม่เที่ยง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 บนันไดถ้าหากเอาอิดเอาปูนก่อขึ้นมาดิดอิดเห็นดินปูนมันนั้ก็เป็นดินเป็นอิดธรรมดาเอามาก่อขึ้นมาทําเป็นรูปเป็นทรงขึ้นมาอันนั้นก็สมมุติให้เป็นพระพุทธรูปขึ้นมาได้จะเอาโลหะทองแดงหรือทองเหลืองเอาแก้วเอาอะไรมาหลอ่อมาปั้นอันนั้นก็เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองจะให้เรารู้จักจริงๆ จนกระทั่งบวชแล้วก็ศึกศึกแล้วก็บวชอันนี้ก็เป็นสมมุติเรียกว่าสมมุติบัญญัติปรามัตดบัญญัติอัถะบัญญัติอริยะบัญญัติให้รู้จักว่าสมมุติจริงๆหรสมมุติก็มีปรามัติด้วยตัวบทกฎหมายเป็นสมมุติให้ว่ารู้ให้ครบให้จบให้ทั่วเรื่องสมมุตรจริจริงๆแต่เรื่องปรามาัดถึงเรื่อง จ, จิตใจ กำลังเห็นกำลังเป็นกำลังมีอยู่นั่นเลยว่าเป็นปรามัิครับรู้อันนี้ครบจบท่วนผีเทวดาให้รู้ผีก็คือคนทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วนี่เองเทวดาก็คือคนพูดดีทำดีคิดดีนั่นเองนี่ว่าีนิโอตปะนี่เองมีคมละอายแก่ใจนี่เรียกเป็นเทวดาครับเมื่อรู้อันนี้แล้วก็รู้าศาสนา ศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านโพลูใครรู้เรื่องอะไรก็นําเรื่องนั้นมาสอนเรียกว่าศาสนาศาสนาคือจตัวคนทุกคนไม่ยกเว้นคําว่าศาสนาพุทธศาสนาไม่พุท ธ, าา จ, ทธจริงแปลว่าู้ลูทำเห็นธรรมเข้าใจธรรมคือตัวสติตัวปัญญานั่นแหละเป็นพุทธ อันพูดนี่เป็นเรื่องของปัญญานะครับปัญญาจะเป็นการรู้แจ้งรู้จริงคนจะล่วงผู้ไปไดเพาะปัญญาอันนี้แหละปัญญาญาณของวิปัสสนาญาณไปว่าเขาไปรู้จบเป็นปัญญาญาณเข้าไปรู้คือรู้ที่ตัวเรานี่เองครับเมื่อรู้พุทธศาสนาแล้วก็รู้บาลรู้บุญบาลก็คือมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจนั่นเองครับ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 จังอาสายครูบาอาจารย์คนที่มีความรู้จึงจะแก้ปัญหารเรื่องนี้ได้ครับวันนี้ตอนแก้ถ้าหากไม่มีใครแนะนำเราต้องทำจังหวะให้มันสบายเมื่อมีควมตึงเครียดเราก็ต้องทำให้มันสบายอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีมันก็ค่อยคายออกคายออก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 มันก็ยังไม่รู้มัน90วันนี้มันคิดมาร้อยเรื่องเราจะรู้มันถึง20มันก็เหลืออยู่80สมมุติเอาเป็น10เป็น10เข้าไปนะอันนี้ครับวันนี้มันรู้ถึง80แล้วมันยังไม่รู้20บันนี้ตอนนี้ต้องทำความเพียรให้มากเลยวันนี้มันรู้ถึง90วันนี้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 กลางวันไม่ต้องนอนเด็ดขาดได้ทอดเด่นยิ่งดีครับกลางคืนต้องนอนจิตใจก็จะเปลี่ยนที่ตรงนี้เนี่ยครับน้ำหนักร้อยกิโลเนี่ยผมยสลัดเบาขึ้นทันทีแปดสิบกิโลเลยครับรู้จักว่าตัวเองเป็นพระขึ้นมาทันทีมันจะรู้อย่างเรไม่มีอารมณ์อารมณ์มันก็ต้องเห็นวัตถุปาลมตฏอาการเนี่ยย ม, มีความเปลี่ยนแปลง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 รู้เข้าใจสัมผัสแนกแน่นเลยวะญาณของปัญญารูอันนี้ครับบางคนจะเห็นรู้โทสะก่อนบางคนก็จะรู้เห็นโมหก่อนบางคนก็จะรู้เห็นโลภาก่อนครับี่เปียรู้แล้วไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมเราต้องดูต้องรู้ต้องเห็นอันนี้วันนี้รู้ครบจบท่้วนแล้วอันนี้นะคะรับรู้เห็น เข้าใจสัมผัสแนบแน่เดียวยาณของปัญญาปัญญาเข้าไปรู้ได้ครับอันนี้ไม่ใช่เป็นปัญญาความทรงจําลยครับเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกจึงเป็นพระได้เป็นปรมัดอันนี้ครับอันนี้เป็นมรเป็นผลขึ้นมาทันทีอันนี้ แล้วเกิดปีติปีติจึงเป็นอุปสรรคในปรเด็นนั้นที่ผมทบทวนมานี่เป็นอารมณ์ให้รู้จริงๆบบ น, นี้มันคิดเป็นหลักษณะใจดีอันนี้ครับไม่ใช่ดีใจใจมันดีแล้วมันก็อยากมีความตึงเครียดบ้างนี่ว่ากินตยานอันปีตินั้นเรียกว่ากินตญานครับ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 อันนี้เป็นการแก้ปัญหาแก้วิปสัสณูแก้จินตยานอันนี้แก้ไปเหมือนกันอันนี้รู้อันนี้แล้วก็จะรู้กิเลสตัณหาอุปทานกรรมอันนี้เป็นอารมณ์ขึ้นไปรู้อันนี้แล้วก็จะมาเป็นพักเป็นพักไปครับก็จะรู้ศีลศีลเนี่ยก็จะว่ากัน อธิศินสิกขาอธิยิตจิตตะสิกขาอาธิปัญญาสิกขาว่าจะนั่งก็ได้แต่เมื่อผมรู้นั้นคือศินขันสมาธิขันปัญญาขันขันแปลว่าหมวดหมู่กลุ่มกองก็ว่าได้ขันคือขันห้านี่เองจะว่าหมวดตาหมวดหู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 มันมีความตึงเครียดวินหัวปวดหัวหรือว่าวินศีรษะปวดศีรษะนี่ครับมันมีความตึงเครียดอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอุปสรรคเราต้องทําทัาซ่าอันนี้ครับต้องทําไปไม่ท้อถอยถ้าหากว่ามันมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็นต้องทําให้มันสบายสบายไปไม่เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ต้องท้อถอย อันนี้เป็นการแก้ปัญหาคืออย่าไปตึงแค่จะไปเพ่งเมื่อรู้อันนี้แล้วก็จะรู้เกิดปัญญาญาณเนีเ่ว่าปัญญาเข้าไปรู้เรือว่ายานเข้าไปรู้จริงว่ะรู้เป็นอารมณ์ขึ้นไปเมื่อรู้สิ้นครบจบท้วนแล้วรู้สมถกรรมฐานสมถกรรมฐานมันสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้ อันนั้นเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงเข้าใจจริงด้วยญาณของปัญญาเรียกว่าปัญญายานญาณจริงว่าแปลว่าเข้าไปรู้เป็นภาหานะสักนิดหนึ่งขนส่งนี่ว่าขนส่งนี่ว่าเป็นปัญญายาณเข้าไปรู้รู้ก็ต้องรู้แบบนี้มันจะ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 ตาย ไ, ไปแล้จะไปตนรกคุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนมันจะเข้าใจอย่างนี้บันี้กายเขาทําชั่วควกกําพกเขาพูดชั่วใจก็คิดชั่วสามอันนี้มาบวกเข้ากันตายแล้วจะไปตกนรกคุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนมันจะรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นญาณของปัญญาเข้าไปรู้อย่างนี้อย่างแก่นแจ้งจริงๆครับอันนี้เรื่องญาณของวิปัสสนา เป็นปัญญาญาณเขาไปรู้เดียวคนจะล่วงผู้ปฏิเพาะปัญญาเนี่ที่ว่าให้มันคิดมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้มันยิ่งคิดมากเราก็รู้มากเข้าทันเข้าทันเข้านี่เป็นอย่างบัดนี้ในทางตรงกันข้ามนี่ในทางตรงกันข้าม ทำบุญโยธทรดีด้วยกายถ้าหากสวรรค์นิพพานบันนี้ถ้าหากสวรรค์นิพพานมีตายไปแล้วจะไปอยู่สวรรค์นสนไหนนานกี่ปีกี่เดือนจะรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้วันนี้ทำดีด้วยวาจาพูดอ่ อ, อนพูดหวานเนื้อหากว่าตายไปแล้วบันนี้ จะไปะยุดสวรรค์สั้นไหนนานกี่ปีกี่เดือนเป็นอย่างนันจะรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้ว่าญาณปัญญาเขาไปรู้ครับอังนี้วันนี้ทําดีด้วยใจใจคิดดีมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเพื่อแทนเพื่อนฝูงวันนี้ถ้าหากตายไปวันนี้จะไปะยุดสวรรค์สั้นไหนนิพพานสั้นไหนนานกี่ปีกี่เดือน จะรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้ครับบัด น, นี้กายก็ทำดีวาจาก็พูดดีจิตใจก็คิดดีครับตายไปแล้วบัดเนี้ยจะไปเกิดสวรรค์นิพพานสั้นไหนนานกี่ปีกี่เดือนครับมันจะรู้จะเห็นเป็นมีเข้าใจอย่างนี้อย่างเจนแจ้งทีเดียวครับเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่ายานของวิปัสสนา ปัญญาของญาณวิปัสนาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นนี่ว่าญาณจึงเป็นพาหานะขนส่งแล้วมันจะเบาไปเป็นขั้นเป็นตอนไปครับมันเป็นอย่างนั้นรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มันจะไหวข่มคิดนะครับนี่อารมณ์มันอันนี้เรียวเป็นพักเป็นพักไปมันจะเห็นว่าตนโตนเรานี่แหละมันถึงที่สุดแล้วเนี่ย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 มันเพียงเป็นเพียงสมมุติมาพูดให้ฟังมันจะเป็นวิปลาสที่ตรงนี้นะครับพอดีผมเห็นเป็นมีมันจื้อหมดตัวเหมือ น, มนเลยครับผมเคยพูดให้เพื่อนฟังบ่อยๆว่าเอาเสือ้อในลอนเสื้ออะไรก็ตามไปพูดว้ทางนั้นซ้นหนึ่งพูดทางนี้ซ้นหนึ่งมีหลักสองหลักหรือสองต้นก็นได้หรือสองเสาก็ได้ ดึงให้มันตึงเข้งตัดตรงกลางครับเมื่อตัดตรงกลางแล้วเสื้อมันจะสะท้อนขึ้นไปอยู่กับปกหลักทางนั้นทางนี้ครับเราจะดึงเข้ามาติดกันให้มันต่อกันมันไม่ถึงครับอันนี้จึงจะรู้จักว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวหรือสมมุติอีกอย่างหนึ่งครับมีดพลาหรืออะไรก็ตามนะ่ะบาด เนื้อเหล่านี้ครับปาดเนื้อเหล่าลงไปเลือดทุกหยดมันจะพุ่งออกมากปากบาดแต่ก่อนนะครับบัด น, นี้พอเป็นอย่างนั้นเลือดทุกหยดมันจะไม่มาออกปากบาดมันจะหัวนกลับไปทั้งหมดเลยครับเข้าสู่สภาพมันจริงๆครับอันนี้แหละพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวก็เลยมารู้จุดนี้นะครับเมื่อรู้จุดนี้แล้วมันจะเบาเหมือนกับไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนี่แหละครับ นี่ผมกำลังเดินครับผมเป็นตอนเศาร์ครับแต่เมื่อเป็นรู้รูปนามทำทีแรกรู้ตอนเศา้าเมื่อรู้ทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงเป็นปรมัตา์มานี่รู้ตอนเย็นครับตอนรู้ศินกับตอนรู้ที่เห็นเข้าใจสัมผัสแน่แน่เนี่ยมันเป็นอารมณ์มันได้ไปมันไม่นานที่ผมรู้นะครับ เลือดมันจะกลับคืนหมดทุกหยดเลยรู้พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวผมพระพุทธเจ้าไม่ยาวอีกต่อไปอันนั้นมันเป็นภาษาที่พูดครับแต่ไม่ใช่เป็นผมจริงๆครับพอดีผมเห็นรู้เข้าใจอันนี้ก็โอ้พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวนั้นไม่ใช่ตัดผมจริงๆคืออันนี้นละครับมันคาดออกจากกันครับเลือดทุกหยด จะหวนกลับทั้งหมดเสื้อที่เราผูกไว้นนะครับมันจะกลับเข้าไปสู่หลักเดิมมันทั้งหมดอันนี้แหละครับมันจะรู้เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เรียกว่าอาการความเปลี่ยนแปลงไปเบาไม่มีอะไรหมึดตัวแล้วครับเรียกว่าจบว่าถึงที่สุดแล้วอย่ายอมหมีมันถึงที่สุดแล้วครับมันจึงรู้ครับ ก็เลยเป็นวิปลาสที่ตรงนี้ครับแต่ผมเป็นผมไปติดขุมสุขครับเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยมีอย่างนี้นะผมเดินไปเดินกำลังเดินจมกลมนึกว่ามันสูงขึ้นไปประมาณจากเม็ดพุ่ น, นะครับหรือสองเม็ดพุ่นเนะขินดินขึ้นคือยางอยู่บนอากาศนี่นะครับไม่เป็นอย่างนั้น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 ทุกคนต้องประสบเรื่องนี้ครับถ้าหากว่าเรายังไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นไม่ทันเป็นก็คล้ายๆคือจวนจะตายหรือจวนจะหมดลมหายใจนี่ครับมันจะเห็นจะรู้เข้าใจเรื่องนี้ครับรว่าอารมณ์นั่นทวนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วัตถุปัลลามะอาการโทสะโมหะโลภะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รู้ไปอย่างนี้ทวนให้มันสมมุติเอาครับเหมือนเรากับเดินทางนี่แนหะเราเดินทางเนี่ยทีแรกเดินไปเราไม่ได้ตัดไม่ได้ทางอะไรมากไม่ได้กลนหลักกลนตอมากได้๋ยวตัดทางให้ไปได้บัด น, นี้เราทวนไปจนจบไัไ่นี้ทวนไปจบแล้วก็ทวนตั้งแต่ปลายลงมาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้ครับบัด น, นี้ทางนั้นเป็นหลัก เป็นตอเราก็ค่อยตัดค่อยเตียนเข้าปัดกวดเข้าให้มันละเอียดอันมันสมมุติพูดนะให้รู้อารมณ์ละเอียดเขา้าเป็นพักเป็นพวกเป็นหมวดเป็นหม่เรีว่าขันห้าขันสี่ขันสาขันสองขันเดียวอย่างเนี้ยให้มันรู้จริงจริงครับรู้อันนี้วิปัสสนาก็หายไปจินตยานก็หายไปวิปัสสนูก็หายไป มีแต่ปัญญาล่นล้วนครับั น, นี้มีแต่ญาณของปัญญาเข้าไปรู้เรื่อปัญญาญาณญาณเข้าไปรู้อันนี้แหละครับที่ผมได้แนะนำทำสอนมาหลายคนครับมีคนรู้มาถึงจุดนี้น้อยคนต่รู้เรื่องรูปนามนั้นมาก สอนกันกันรู้มากนะแต่รู้เรื่องจิตใจเปลี่ยนให้ทําตัวเป็นอริยบุคคลเรียกว่าเป็นพระนั่นก็มีมากนี่มากบางคนก็จิตใจเปลี่ยนครั้งเดียวบางคนก็สองครั้งสามครั้งไปเป็นอย่างนั้นแต่ความรู้มันรู้ครับแต่พูดให้ฟังแล้วรู้ครับนี่แต่มันยังไม่ชัดเจนครับผม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 รู้อารมณ์เช่นเดียวกันแต่ไม่แตกสารเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้แตกสารมีความรู้มากท่านเรียนมากนะครับอันนี้ที่นํามารา้อยฟังเป็นวิธีแก้วิปลาฐเป็นวิธีแก้ของจินตญานเป็นวิธีแก้ของวิปัสสนุถ้ามันตึงเครียดวินหัวหนัก อ, กอกหนักใจนั้น เราต้องทำเบาๆอย่าไปเพ่งถ้าไปเพ่งนะมันแน่นเข้ามันแก้ไม่ได้ทําให้มันสบายมองไกลๆเนี่ยถ้ามองไกลแล้วมันคลายออกไปโกลมรู้โกลมหนักหนักใจแล้วมันจะคลายออกไปเองมันครับอันนี้เป็นวิธีแก้จินตญานก็เช่นเดียวกันให้แก้อย่างนั้นตอนวิปลาสเนี่ยให้ต้องแก้ตอนมาควรอารมณ์ครับ ให้มันมีอารมณ์อยู่กับอารมณ์แล้วก็ทำเบาๆแต่ส่วนวิปัสสนุกับจินตายานนะต้องแก้วิธีทำแต่ว่าทวนอารมณ์น้อยครับอันนี้เป็นแต่เรื่องรูปนามก็ต้องให้มันแจ่มใสตอนวิปลาสต้องทวนอารมณ์ทาให้มันสบายสบายอยู่กับอารมณ์ครับเมื่ออารมณ์แจ่มใสขึ้นมาแล้วความตึงเครียดก็ลดน้อยไปทันที แต่ให้มันคิดนะห้ามไม่ได้ผมคิดนครับแต่มันจะคิดรู้เห็นเข้าใจเป็นมีเข้าใจจริงๆอันนี้เลเป็นวิปัสนาล้วนๆครับมันจะเป็นเองมันเพราะทุกคนต้องมีอย่างนั้นอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคต เหมือนกันเป็นมีเหมือนกันเราต้องเข้าใจแต่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพุทธะเราจะว่าเป็นประเจกสาพุทธะก็ได้เป็นสาวกพุทธะก็ได้หรือจะว่ายังไงก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติอย่างรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามจึงจะสมกับที่เราสวดกันหลัก สังฆคุณวสุปฏิปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระมิภภาคเจ้านั้นหมูไดปฏิบัติดีแล้วคือปฏิบัติอย่างถูกต้องครับอุจุปฏิปัโนภะคะวะโ ต, าาตสาวกสังโฆสงสาวกของพาพภาพภูมิภภาคเจ้านั้นหมูไดปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติตรงต่อตัวเอง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 จางปนี่ว่าสามิจิปติปโนภะคะวะโตสาวกสังหโฆสงสาวกของภพาพผู้มีภาคเจ้านั้นหมไดปฏิบัติสมควรแล้วเนี่ยคือจะไม่หลงไม่ลืมครับเนี่ยที่ทางจตานปุริสายุขาเนี่ยอัฏาปุริสาบุคลาณนี่คู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังหโฆ นั่นแหละสงสาวกของพระพุมิภาคเจ้าจะเป็นผู้หญิงก็เป็นสงได้เป็นผู้ชายก็เป็นสงได้เป็นพระเป็นเนงก็เป็นสงได้บวชก็เป็นสงได้ไม่บวชก็เป็นสงได้ถือศาสนาใดก็ตามนุ่งผ้าซื้ออะไรก็ตามละทิใดก็ตามไม่จำกัดไม่กำหนดกฎเกณฑ์การปฏิบัติแบบนี้ครับรับรองได้ครับ แต่ไม่เหมือนกับาศาสนาอื่นๆครับาศาสนาอื่นๆนั้นถือาศาสนาพุทธและจะปฏิบัติาศาสนาอื่นนั้นไม่ได้ต้องไปลด ล, ละทิลดนิกายไปเข้ า, าศาสนานั้นไปเข้าละทินั้นจึงจะปฏิบัติได้อันนี้ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นครับถือาศาสนาไหนก็ได้นุ่งผ้าสีอะไรก็ได้บวชก็ได้ไม่บวชก็ได้แต่ขอให้ปฏิบัติตามเท่านั้นเองผมรับรองประกันคำพูด ที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้นั้นจึงว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตนี่คือกันครับสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตแต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพุทธะเราจะว่าเป็นปเจกขพุทธะก็ได้เป็นสาวกพุทธะก็ได้เป็นอยางนั้นข้อสุดท้ายในธรรมะสัตว์ทั้งหลาย เราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้นี่รู้เห็นเป็นมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเทียวว่ารู้จริงๆเรื่องนี้ครับรู้วิปัสสนารู้จิตญาณรู้วิปลาดรู้เห็นเป็นมี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 ให้มีสติรู้กายในกายแล้วก็ให้มีสติรู้เวทนาในเวทนาแล้วก็ให้มีสติรู้จิตในจิตแล้วก็ให้มีสติรู้ธรรมในธรรมนี่เลย ว, ว่าวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพิ่นสอนอย่างนั้นแต่ท่านมันเป็นคําพูดอะเนีย่ยมาสอนย้ําเข้าไปอีกว่าให้มีสติกําหนดรู้ในอิรยิยาบถทั้งสี่ยืน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 จะมีความแจ่มใสยอยู่ภายในจิตใจครับอันนี้เป็นอย่างนั้นจึงว่าเป็นปัญญายาณคนจะล่วงทุกไปได้เพาะปัญญาแล้วท่านสอนเข้ามาอีกว่าให้มีสติกําหนดรู้ในอิเลียบุด ย, ย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้ในท่านสอนอย่างนี้ครับจึงว่าตั้งอกตั้งใจจดจําเอาไว้ครับ เป็นวิธีแก้ปัญหาเรื่องวิปัสสนมแก้ปัญหาเรื่องจินตยานแก้ปัญหาเรื่องวิปลาสครับในขณะที่เราเป็นเนี่ยเราจะไม่รู้เพราะเรายังไม่เข้าใจเนี่ครับเมื่อถึงที่สุดแล้วหยานยอมมีเนี่จนถึงที่สุดพุ่นครับมันจึงจะรู้จักมหมดปัญหาหมดการขัดแยง้งไม่ต้องไปอาศัยตำลับตําลาอะไรมาก รู้หนังสือก็ปฏิบัติได้ไม่รู้หนังสือก็ปฏิบัติได้คนจนคนรวยปฏิบัติได้ทางนั้นครับอันวิธีที่ผมพูดนี่จะถือศาสน า, าใดละทธิใดก็ตามนุ่งผ้าซสื้ออะไรก็ตามรู้จริงจริงับรองได้ครับรับรองจริงๆนะที่ผมพูดในยอมเสียสารทรัพย์ส พ่อแม่ขู่บ า, าจานร้อยฟังเพราะรักษาอาวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพราะรักษาชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาสัจธรรมอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับรักษาคํำพูดรักษาวิธีปฏิบัติยอมเสียสละจริงๆครับถ้าทําอย่างนี้ ต้องรู้อย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่รู้ผมจะก่อนผมไม่รู้ผมเคยภาวนาพุทโธมาสัมมา阿拉หังมานับหนึ่งสองสามมาพองยุบเยาว่ายุบหนอพองหนอเนี่ผมก็เคยทํามาอาณาปานาสติหายใจเข้าสั้นออกยาวลมหยาบลมละเอียดเนี่ยผมเคยทํามาครับแต่ผมไม่รู้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 ใครจะพูดยังไงก็ได้มันเฉยได้ครับอันนี้แหละที่เราไปสวดขันว่าพทุทธโสโลกธรรมเมหิจิตตัญญสนกรรมปติอโสกังวิรัสังเขมังเอตามังคลมุตตามังเรว่าสวดเป็นปริตะมงคลกันอันนั้นเป็นคำพูดนะครับเมื่อมาคิด ถึงการปฏิบัติพุทธสโลกธรรมเมหิจิตตั้งยสนคปติจิตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์คืออารมณ์ทั้งหลายหรือโลกทั้งหลายนี่อารมณ์ทั้งหลายโลกทั้งหลายคือมีความสมบ้างมีความสนเส ร, ริญมีความนินทามีความว่าร้ายเราไม่ต้องหวั่นไหวครับ อันนี้นะคือจิตใจของพระพทุทธเจ้าแล้วก็มีในคนทุกคนแต่ไม่ใช่จิตใจของพระพทุทธเจ้าจิตใจของเราก็คือการกักจิตใจของพระพทุทธเจ้าทันว่าอยงนั้นวันนี้อโศกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกเป็นจิตไม่คุณมัวเป็นจิตไม่เศร้าหมองมันก็เป็นอย่างนั้นทังจะรู้ก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยทันวันวัน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 วันนี้เอาน้าําขุนอันนั้นามาใส่ขันใส่โอใส่ขวดใส่ที่ไหนว่าจะได้ตักมาไว้นะแล้วต้มเลนตะกอนนั่นนะครับมันไม่ใส่เป็นน้ําครับต้มเลนกับน้ํามันอยู่ด้วยกันบัณฑิตนานๆเขาต้มเลนเขาจับเป็นตะกอนเป็นก้อนเขาน้ําก็ใสก็สะอาดน่นมันเป็นอย่างไรจีว่าจิตไม่เศร้าโศกจิตไรทุลีจิต ไม่วันไหวมันเป็นอย่างนั้นครับมันน้ากับตะกอนนั้นมันอาศัยอยู่อันกิเลสเ่านั้นมันก็อยู่พอมันนี่ว่ามันคิดให้เห็นให้รู้เอาตัวรู้นี่ได้เข้าไปไปรู้ครับนี่ว่าญาณของปัญญาเข้าไปรู้ครับเข้มังเหมือนเป็นจิตอันกเสษมถนไหอันจิตอันเกสมนี่ก็หมายถึงจิตพ้นไปจากความทุกข์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 รู้เห็นได้เข้าใจเหมือนกันแต่ขอให้ทำให้ถูกต้องเท่านั้นเองครับถ้าทำถูกต้องแล้วไม่พลาดครับเรื่องนี้รับรองได้จริงๆ ร, รับรองจริงๆผมยอมเสียสละชีวิต ท, ทดแทนเอาคำพูดหรือสัจธรรมอันนี้เพื่อทำให้หลักพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น จะเลิญมั่นคงท้าวรต่อไปเป็นอย่างนั้นถ้าหากเราไม่พูดไม่สอนกันก็จะไม่รู้ครับการให้ทานรักษาศีล น, นั่นดีแล้วแต่เราให้ทานรักษาศีลนั้นมันยังมีโกรธมีเกลียรติอันนั้นมันเป็นสังค์ข่มศีลไม่ใช่ศีลกําจัดกิเลสอย่างยาบครับอันศีล น, นั้นท่านว่า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 ให้มีสติรู้การเคลื่อนการไหวการไปการมาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับให้รู้เท่ารู้ทันรู้จากกาันรู้จากแก้นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างรัดรัดอันนี้เนะรัดสั้นที่สุดมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บขึ้นมาอันนั้นแหละยเป็นการปฏิบัติธรรมแท้แท้อันที่เราทาจังหวะนั่นเป็นวิธีการครับ เพราะว่าคนมันระดับสติปัญญาไม่เหมือนกันครับถ้าคนมีปัญญาจริงๆนะดูข่มคิดมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บนี่เป็นการปฏิบัติธรรมดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจนี่รีบมาแก้ไขที่ตรงนี้คนไทยถือศาสนาพุทธก็มีคิดอย่างนี้คนไทยถือศาสนาคิดก็มีอย่างนี้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 ผมขออ้างอิงเอาคุณของพระบรมเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้เราได้จเจริญลอยตามอย่างที่พระบรมเจ้าตัดวัตสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัต์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตทั้งหลายเป็นตถาคตสามข้อข้างต้นนั้นก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นต้องมี